พระสัมภูตะสาณวาสีถามวัตถุสิบประการภิกษุผู้เถระทั้งสองสนธนาค้างอยู่เพียงเท่านี้ลำดับนั้นพระสัมภูตะสาณวาสีมาถึง จึงเข้าไปหาท่านพระสัพพกามีถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาทนั่งหน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสัพพกามีดังนี้ว่าพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีแสดงวัตถุสิบประการในกรุงเวสาลีคือ 1. สิงคิโลนะกับปะ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 อมะิตะกับปะฉันนมสดที่แปรไปแล้วแต่ยังไม่เป็นนมเปรี้ยวได้แปดชโลคิดื่มสุราอ่อนๆได้เก้าอัทสกนิสีธนะใช้ผ้ารองนั่งไม่มีชายได้สิบชาตารูประชะตะรับทองรับเงินได้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 ท่านพระสัมพูตะสารวาสีตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู่ก็เห็นอย่างนี้ว่าภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายอธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถยะเป็นฝ่ายอธรรมวาทีแต่ยังชี้ขาดไม่ได้สง์น่าจะแต่งตั้งผม เข้าวินิจฉัยอธิกรณีบ้างท่านพระสัพพกามีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและวินัยอยู่ก็เห็นอย่างนั้นว่าภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถยะเป็นฝ่ายธรรมวาทีแต่ยังชี้ขาดไม่ได้สงหน่าจะแต่งตั้งผม ข้าววินิจฉัยอธิกรณ์นี้บ้าง